สํานักแห่งหนึ่งจานเซนได้คุยธรรมกับลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งลูกศิษย์ก็เอ่ยถามอาจารย์ว่าสิ่งใดน่ากลัวที่สุดในโลกอาจารย์ตอบว่าความอยากเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกลูกศิษย์กลุ่มนั้นก็ไม่เข้าใจและไม่เชื่อว่าความอยากจะน่ากลัวที่สุดในโลกจาย์เซนจึงต้องเล่านิทานให้ฟังเพื่อให้ลูกศิษย์เข้าใจมีชาวนาคนหนึ่งชาวนา เป็นคนยากจนต้องรับจ้างทำนายคนอื่นไม่มีที่เป็นของตัวเองจึงได้อ้อนวอนเทวดาฟ้าดินให้ประทานที่ให้วันแล้ววันเล่าแล้ววันหนึ่งโอกาสก็มาถึงเมื่อพระราชาเสด็จมาเยี่ยมพบปากับชาวบ้านชาวนาก็อยู่ในที่นั้นด้วยก็ได้มีโอกาสช่วยชีวิตพระราชา จากการถูกหู ก, กัดพระราชาจึงให้ชาวนาเนี่ยเอ่ยขออะไรก็ได้พระองค์จะให้เป็นการตอบแทนความดีความชอบชาวนาพิจารณาดูแล้วสิ่งที่ตัวต้องการคือที่ดินสาหรับตระมหากินจึงไอายาขอที่ดินจากพระราชาพระราชาก็ให้โดยมีงเงื่อนไขให้ชาวนาเนี่ยเดินไปทางไหนก็ได้ เดินเดินแล้วเดินกลับมาที่จุดเริ่มต้นเนี่ยที่ดินตรงนั้นก็จะเป็นของชาวนาแล้วมีเงือ่อนไขว่าถ้าชาวนามาไม่ทันจากจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าพริ์ริตกดินไปแล้วถือว่าเป็นการโมฆะชาวนาจะไม่ได้ที่เลยที่พระราชาเสนอแบบนี้ก็เพื่อไม่ให้ชาวนาเนี่ยเอาที่มากเกินไปเวลานั้นก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วชาวนาดีใจมากที่พระราชา ให้ที่ดินจึงรีบเดินทัน ท, นทีไปถึงที่ไหนก็ทำเครื่องหมายไว้เดินแบบไม่ยอมพักผ่อนเพราะต้องการจะได้ที่ดินให้มากที่สุดอาหารก็ไม่ได้ทานน้ำก็ไม่ได้เตรียมไปแต่ความคิดก็บอกให้ต้องเดินต่อไปยิ่งเดินมากเท่าไหร่แล้วกลับมาเร็วที่ดินก็จำนวนมากขึ้นชาวนาจึงรีบเดินเดินไปเดินมาตอนหลังก็ชักเหนื่อยแล้วหอบ แต่ด้วยความโลภจึงเดินให้ไกลที่สุดเดินไปขั้นไกลพอแล้วชาวนาก็เดินกลับมาจุดเริ่มต้นเพื่อทันก่อนพระทิตตกดินคือตอนนี้ก็ใกล้เวลาพาะาทิตตกดินแล้วชาวนาก็ฝืนใจแรงก็หมดอาหารและน้ำก็ไม่มีแต่ด้วยความพยายามชาวนาก็กระเสือกกระสนมาถึงจุดเริ่มต้นจนได้แล้วก็ล้มลง คือร่างกายทนไม่ไหวแล้วชาวนาเนี่ยก็ขาดใจตายตรงตรงจุดเริ่มต้นพอดีเลยชาวนาก็ทำตามสัญญาสำเร็จทำตามเงื่อนไขได้แต่ชาวนาก็เสียชีวิตไปที่ดินที่เดินมาและได้เนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะคนตายอ่ะอันนี้เป็นเพราะความโลภถ้าชาวนาไม่โลภเนี่ยเดินแค่พอสมควรก็รได้ที่ดีจำนวนมหาศาลแล้ว น, นี่ความคิดเขาสั่ง นั่นคนเราก็บางทีก็ตกเป็นทาสของความคิดความอยากต่างๆจนดินน้นรนหรือได้พักผ่อนจนบางทีต้องไปหาหมอเพราะป่วยก็มีอาการที่ดิ้นรนไม่หยุดก็จะเหมือนชาวนาเนี่แหละสุดท้ายเงินที่ได้มาก็าไว้รักษาตัวเองประโยชน์ไม่ค่อยมีเลยมีทายอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระอินพระอินเนี่ยเป็นเทพปกครองสวรรค์ ชั้นดาวดึงมีหน้าที่ต้องดูแลเทวดานางฟ้าแล้วก็ต้องคอยช่วยเหลือโลกมนุษย์ด้วยและปัญหาของมนุษย์เนี่ยก็มีมากมายเหลือเกินจนทำให้พระอินเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนจึงมีความคิดว่าลาออกดีกว่าให้คนอื่นมาทำแต่ก่อนที่จะลาออกเนี่ยก็ต้องหาคนดีมีคุณธรรมเนี่ยเพเป็นพระอินแทนตน พี่อินจึงลงมาที่โลกมนุษย์แล้วแปลงกายเป็นชายวักลางคนเป้าหมายแรกที่พระอินจะหาคนมีคุณธรรมสิ่งเปที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอมัคคทายกของวัดคุยกระทุกคอพี่อินก็เสกก้อนหินก้อนหนึ่งให้มัคคทายกเอแหละก้อนไม่ใหญ่หรอกก้อนหินก็กลายเป็นทองคาเสร็จแล้วก็เดินจากไปเพ่อหมอว่ามัคคทายกเนี่ยน่าจะใช่ ขาเดินออกจากหมู่บ้านไม่นานมังคยยก็วิ่งตามมาบอกรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวพระอินปอมก็หันไปมังคยยกก็ถือหินก้อนใหญ่กว่าก้อนแรกเลยบอกว่าขอให้พระอินนยช่วยเสกให้เป็นทองคําอีกอันนี้สร้างความผิดหวังให้กับพระอินมากแล้วก็เดินจากไปอย่างไม่ใจดีแล้วพระอินก็ตามไปตามวัดต่างๆนี่แหละตามสํานักปฏิบัติธรรมต่างๆก็เหมือนเดิม เจอคนที่คิดว่ามีคุณธรรมก็จะขอให้เศกก้อนหินก็ใหญ่กว่าเดิมทุกคนไปจนพระ อ, อินทร์ท้อแท้แล้วคิดว่าโลกนี้คงหาคนดีมีคุณธรรมยากก่อนจะกลับขึ้นสวรรค์ก็ได้ไปคุยสนทนากับฤศีฤศีคนนี้ก็มีปัญญาเป็นที่ชอบปกชอบใจของพระ อ, อินทร์แล้วพระอินทร์รู้สึกว่าฤศีชั้เ น, นี้เป็นคนไม่น่าจะโลกเพราะใช้ชีวิตง่ายๆ พี่อินแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยชี้ก้อนหินที่เป็นทองคําให้ให้ฤาษีฤาษีก็ไม่เอาจากก้อนเล็กๆจนไปถึงก้อนใหญ่ฤาษีก็ไม่เสียดิพี่อินก็ชี้ไปที่ภูเขาเนี่ยจนภูเขากลายเป็นทองคําทั้งหมดแล้วให้ฤาษีฤาษีก็ไม่เสียดิพี่อินก็ถูกอกถูกใจโอ้โหคนเนี่ยใช่ละพี่อินในอนาคตต่อไป แล้วก็เออยปากกับฤศีว่าให้อยากว่าอยากได้อะไรก็จะให้ให้ขอมาฤศีคิดอยู่ long นานแล้วเออยปากขอดิวชีพระอินเนี่ยที่เสกหินที้เป็นทองคําพระอินแล้วได้ปงเลยแล้วรีบกลับสวรรค์ทันทีเรื่องนี้ก็จบสรุปแล้วพระอินหาคนมาแทนไม่ได้ก็ต้องเป็นพระอินต่อไปแม้แต่ฤศียังโลภเลย รูปหนักกว่าคนธรรมาดาอีกเมื่อก่อนหลวงพ่อพุทธทาสก็ได้แต่งกรอยู่ก่อนนึงนะกอนี้มีชื่อว่านายเหนือหัวคือหลวงพ่อพุทธทาสท่านมองว่าโมนุษย์เนี่ยที่มีปัญหากับคนทั่วไปเนี่ยมีอยู่สามอย่างนั่นแหละมีเรื่องกินเรื่องกามแล้วก็เรื่องเกียรติมีสามตัวนี้แหละที่เป็นนายของคนทั่วไปแม้แต่พระหรือแม้แต่ทุกคนในโลกนี้แหละต้องต ก, ตกอยู่ในสามตัวเนี้ยกิน กามเกียรติท่านก็ได้แต่งก่อนเอาไว้เรื่องก่อนนายเหนือหัวนายของตนคนที่หนึ่งคือท้องปากยามท่านอยากท่านเรียกร้องต้องรีบหามาป้อนท่านให้ทันเวลาท่านชื่อว่านายกินเก่งสิ้นดีนายของตนคนที่สองคือเนื้อหนังท่านไม่ฟังเสียงใครฝ่เสียดสีแต่ในเรื่องเนื้อนุ่มเยื่อโลกี ชื่อท่านมีว่าในกามตะการจริงนายของตนคนที่สามคือหูหัวเผ้ายกตัวเรื่อยไปขายผีสิงทั้งยกหางแกว่งไกวไวกว่าลิงมีชื่อพิงว่าในเกียรตขายเกียรติเอ่ยเรื่องกินเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยตกเป็นทาตปบางคนกินจนป่วยเลยพอไม่พอไม่รู้จักประมาณเพราะหารที่อร่อยส่วนใหญ่จะไม่มีประโยชน์กับร่างกาย จะออกไปทางพวกเนื้อแล้วก็พวกไขมันมากกว่าหรือรสชาติจักบางทีกินมากๆกลายเป็นทำร้ายร่างกายให้ป่วยส่วนอาหารที่กินแล้วส่งเสริมสุขภาพมักจจืดมักจะไม่ค่อยอร่อยคนก็เลยไม่ค่อยชอบกันดนั้นคนจึงป่วยเพราะอาหารเยอะหรือแม้ก็ตะเวนหาอาหารกินเพื่อความอร่อยล้านนู้ร้านนี้บางทีที่หลน่นไม่หยุดถ้าคนรวยมากบางทีก็ความคิด ก, ก็ให้ไปกินเนี่ย ต่างประเทศก็มีบางทีไปกินที่ฮ่องกงแล้วบินกลับมางเงี้ยบางทีสองชั่วโมงก็กินเสร็จละไปกลับสบายสบายพูดถึงคนมีคนรวยละบางทีกินมื้อหนึ่งก็เป็นหมื่นเป็นแสนก็มีแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยกินไปแล้วก็ก็ต้องถ่ายเหมือนกันถ้าคนไม่เป็นท่าของเรื่องกินก็กินเพื่อสุขภาพไม่ได้โลนก็ไม่เหน็ดเหนื่อยมากไม่ตกไปทาของเรื่องอาหาร แล้วมาเรื่องการการนี่คุปขุมถึงการคูณทั้ง5้าอื่นๆอีกมากมายที่คนชอบแล้วคนเราก็จะชอบไม่เหมือนกันก็ต้องดิ้นรนไฟฟ้าบางทีหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไปพอบางทีมีรถอา้าวเดี๋ยวก็เอารถใหม่ละมือถือเดี๋ยวเราก็เบื่อเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่หรือของใช้ต่างๆเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยบางคนไม่มีตังก็ใบกู้นี่ยืมสินมาผ่อนก็มี คือทำให้ชีวิตเนี่ยลำบากต้องเด็ดต้องเหนื่อยแต่ถ้าเรามีเงินแล้วไปซื้อก็ไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่บางทีก็ไปเอาเงินอนาคตมาใช้ไงกูได้ยืมสินมาทำให้เป็นภาระแล้วก็ต้องหามาใช้คืนอันนี้คือการตกไปทาสของกามเราไม่พูดถึงคู่รักนะถ้ามีคู่รักมือหนักเลยต้องหึงหวงยึดถือไปของเรา ก็สรากว่าทุกใจเพราะว่าไม่มีใครเป็นของเราจริงหรอกมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆยึดไม่ได้แต่บางทีถึงห่วงรุนแรงถึงฆ่ากันตายก็มีที่เราเห็นข่าวบ่อยๆอันนี้ความรักเป็นพิษเพราะไปทาสของกามแล้วก็มาเรื่องเกียรติเกียรตินี่คนเราก็ดิ้นรนไปเพื่อเชื่อชื่อเสียงอํานาจอย่างเหนือคนอื่นแต่มีแล้วก็เราคอยรักษาต้องแบกตลอดเวลาทำให้ชีวิตเนินหนัก แล้วก็ทุกง่ายถ้าไม่เป็นดังใจเราหรือคนไม่ยอมรับเราคนไม่นับถือเราเนี้ยทุกคนจึงดิ้นลนหาชื่อเสียงกันสิ่งเหล่านี้ถ้าใครมีก็ด้วนเผื่นดีแต่จริงๆแล้วทุกข์นะแบกแบกชื่อเสียงแบกของต่างๆเป็นของเราอันนี้แบกเกียรติด้วยถ้าคนที่อัตราตัวตัวเยอะเนี่ยใครพูดแม่เข้าหูหรือหรือใครแม่เกียรติเนี่ยก็จะโกรธง่าย จาคนที่ตัวตัวน้อยไปที่ไหนก็สบายไปนั่งกินข้าวแกงนั่งกินกาแฟข้างถนนไปที่ไหนก็ได้ชีวิตง่ายๆเราก็ต้องออกจากกินการเกียรต่ะไม่เป็นท่าของมันถึงมีก็เป็นมีให้น้อยที่สุดมีที่ายอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ผู้แต่งก็แต่งไว้ดีมีชายคนหนึ่งชื่อว่าลามชายคนเนี้เป็นคนยากจน ม, มีอาชีพตัดฟืนไปขายที่ตลาดหรือเก็บเสร็ไม้ไปขายรามเป็นคนที่ใจบุญนะเห็นพระเดินผ่านมาแกก็ก้มลงกราบทุกครั้งที่เห็นจนมักคุ้นกับพระรูปหนึ่งที่เดินบิชบาตผ่านทางที่รามจะไปเก็บฟืนปันหนึ่งหลังจากรามกราบหลวงพี่รูปนี้พระก็เอ่ยขึ้นว่า โยมจะขนเสร็จไม้แบบนี้ไปตลอดชีวิตหรือลามได้วยยีน้นะนะหูผึ่งเลยหลวงพี่ก็เลยต่อว่านู่นเนี่ยโยมข้ามเขาไปอีกลูกหนึ่งนะจะเจอแร่ที่อยู่ในดินเนี่ยอ น, นั้นเป็นแร่เงินให้โยมเนะ่ยถลุงแล้วแง่แร่เงินไปขายก็จะทำให้ฐานะดีขึ้นดีกว่าเก็บฟืนไปขายลามก็ดีใจ ที่พระมาบอกทางให้บอกผมจะทําตามที่หลวงพี่บอกหลังจากนั้นรามก็ข้ามเขาไปอีกลูกหนึ่งแล้วก็สมหวังน่ยตอนหลังฐานหรามก็ดีขึ้นเก็บเก็บดินถลุงแรกเงินแล้วาแรกเงินนั้ไปขายหลังจากนั้นห่างไปประมาณสามปีรามก็เจอหลวงพี่องค์นี้อีกแล้วก็กราบพระเกย์ว่าโยมจะเก็บเศษดินนี้ไปต่อชีวิตหรือคํานี้ถามไปรามหูผึงเลย พอครั้งก่อนก็ทําให้ชีวิตแกเปลี่ยนเพราะคําำพงหลงพี่คําเนี้หลวงพี่มีอะไรที่ดีกว่านี้หรือครับโยมข้ามเขาไปอีกรูปหนึ่งนะที่นั่นเนี่ยโยมจะเจอก้อนหินที่มีแร่ทองคำให้โยมเนี่ยถลุงแล้วทอเข่าไปขายทําให้ทาหน้าดีขึ้กว่าเดิมอุรานดีใจมากเลยแล้วก็ทําตามนั้น แล้วลามก็เป็นเศรษฐีประจำหมู่บ้านมีฐานะมั่นคงมีทุกสิ่งทุกอย่า ง, งพ้อหมดอะแต่รามเป็นคนโลภนะก็ไม่ยอมหยุดก็เข้าไปหาทองอยู่เป็นประจำผ่านไประยะหนึง่งก็เจอหลวงพี่คนเดิมแหละแกก็กราบแล้วแล้วก็ทักทายกันพาเาก็เอ่ยคิดว่าโยมจะเก็บเศษโลหะ นี้ไปต่อชีวิตหรือเหมือนเดิมเพราะคำนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตแกรามบอกหลวงพี่มีอะไรจะดีวันนี้อีกเหรอดีกว่าทองอนู่นโยมข้าเขาไปอีกลูกหนึ่งที่นั่นเนี่ยจะมีก้อนกวดอยู่ชิ้นหนึ่งมันคือเพชรแต่หายากนะแต่มีมีบูลค่าสูงกว่าทองมากอูรามดีใจแล้วก็ทำตามที่พระบอก ตออ น, นี้ก็เปเศรษฐีใหญ่มีเงินแบบใช้สิบชาติก็ไ่หมดผ่านระยะหนึ่งลามก็เจอหลวงพี่องค์เดิมนี่นแหละหลวงพี่ก็ทักรามว่าโยมจะเก็บก้อนกวดนี้ปตลอดชีวิตหรือคำถามที่สร้างความบุญงงให้กับรามตรเอยถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่ในโลกนี้มีอะไรที่มีค่ากว่าเพชรอีกพระเอ๋ยคิดว่ามีสิ โยมข้ามเขาไปอีกรุหนึ่งอะตรงนั้นน่าจะเป็นกุฏิอาตมามีน้ําตกมีสถานที่ลมลื่นสงบหมอนการปฏิบัติธรรมเพราะตัวขออัตาบายเองเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยเก็บเงินเก็บทองเก็บเพชรเนี่ยไปขายก่อนโยมอีกจนทำให้ร่ำรวยแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความต้องการของชีวิตมันไม่ใช่ความสุข หลังจากไปเจอสถานที่นี้เนี่ยก็นั่งสมาธิภาวนาก็พบกับความสงบที่เยือกเย็นมีความสุขจึงรู้ว่าเนี่ยความสุขที่ปานนี่กว่าความสุขถวัตถุคือเราหาความสำเร็จถวัตถุเท่าไหร่เราก็ไม่พอเราต้องมาหาความสุขทาง จ, าจิตใจแบบหยุดการทีนร่นแสวงหาเพราะความสุขจากสมาธิเนี่ยจากความสงบเวลาสุขแล้วปานนี่กว่าวัตถุมากลามเงิบรู้สึก ไม่ไม่เคยเชื่อถืออ่ะเพราะว่าอ่าตัวเองเนี่ยตอนนี้ร่ำรวยแล้วมีทุกอย่างทุก อ, อย่างพร้อมถ้าไปปฏิบัติธรรมกับพระรูปนี้่ก็เราสูญเสียทุกอย่างฉึนก็เลยแบบไม่ค่อยเต็มใจว่าหลวงพี่ผมไม่พร้อมที่จะไปถ้าผมไปเนี่ยผมก็จะไปรบกวนความสงบของหลวงพี่เปล่าไวา้ผมพออ้อมก่อนแล้วค่อยไปหลวงพี่ก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกตามใจยโยม แต่ถ้าพร้อมก็เราก็ไปทำร่วมกันก็นแล้วกันแ ล, แ ล, แ ล, ล้วหลบพี่ก็จากไปเรื่องนี้ก็จบอันนี้เราเห็นได้ว่ามีคนหลายคนเนี่ยไม่พร้อมที่จะทิ้งสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เพื่อมาหาสิ่งที่ดีกว่านั้นบางคนก็หาเงินเก็บหาแล้วก็เก็บนะสะสมต่อชีวิตไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะมีความสุขกับการแสวงหาจิตใจก็ เหมือนพ้องเหมือนมวลที่มวลที่เราสวดอะโลกนี้พ้องอยู่เป็นนิดทําให้เราตกไปท่าของปัญหาถูกไปท่าของความอยากถ้าเราจิตเติมเต็มเนี่ยหรือความอยากน้อยเราก็ดิ้นรนน้อยเวลาเราก็มากขึ้นใช้เวลาเป็นประโยชน์ไม่งั้นเราก็ใช้เวลาแต่ละวันเนี่ยไปกับเรื่องไม่มีสาระไรประโยชน์มีนิทานอีกเรื่องหนึ่งมีชายคนหนึ่งขนาดที่ กำลังทําสวนขุดดีอยู่นั่นน่ะก็ไปขุดเจอตะเกียงเก่าๆอยู่ใบหนึ่งชายคนนี้จึงรูปตะเกียงแล้วก็เกิดปัิหารขึ้นมีฟันผวยผู้งมอาแล้วก็ค่อยเป็นยักษ์ตัวใหญ่สร้างความตกตะลึงให้กับชายคนนี้หลังจากอิสระแล้วก็ดีใจแล้วก็เอ่ยชายหนุ่มว่านายช่วยปล่อยใหข้าอิสระเนี่ย ข้าจะรับใช้นายแต่มีเงื่อนไขนะถ้านายไม่ใช้ค่าทำอะไรเนี่ยข้าจะกินนายนะชายหนุ่มก็คิดอยู่พักหนึ่งเห็นว่ามีผู้รับใช้เนี่ยดีกว่าไม่มีแล้วอย่างเราคงสั่งให้ยักษ์ทำผู้ทำที่ได้ตามที่ต้องการจึงตกลงกับยักษ์เอานายจะขออะไรว่ามาชายคนนี้ก็ขอวังยักษ์ ก็ใช้ลิฟต์เนระมิดวางขึ้นมาทันทีเลยอันนี้สร้างความตกตะลือกับชายหนุ่มคนนี้มากเพราะว่าคิดว่ายักจะสร้างเป็นปีตัวเองจะได้มีเวลาพักผ่อนไปทําอื่นยักษ์กระทวงงานอีกแล้วใช้ยหนุมก็สั่งให้ยักษ์เนี่ยไปสร้างถนนให้มาที่วางยักษ์กระเดลามิดเสร็จทันทีตอนที่ชายหนุ่มเริ่มเริ่มพิตกกวนแล้วเพราะว่าถ้าสรั่งไม่ทันนี่ยักษ์กินแน่สั่งให้ยักษ์ทาสวน ทำ น, นู่นทำนี่ยักษ์ทำได้ปั๊บเดียวเองเนรมีขึ้นมาจนตัวเองตอนนี้เหนื่อยแล้วก็ต้องมาคิดเรื่องสั่งงานยักษ์สั่งแทบไม่ทันนะเพราะยักษ์มันเร็วจริงจนคิดอุบายหนึ่งขึ้นมาได้จึงสั่งให้ยักษ์เนี่ยสร้างเสาเนรมิตเสาขึ้นมาเสาต้นใหญ่แข็งแรงแล้วก็สูงเสร็จแล้วก็ให้ยักษ์เดือดปีนขึ้นปีนลงอย่าได้หยุดยักษ์ก็ทําตามจากนั้น ชายคนนี้ได้พักผ่อนบ้างที่ฐานเรื่องนี้ถ้าอุปมาอุบไมก็คือตัวตัวยักษ์เนื้อคือความคิดนั่นแหละความคิดหรือความอยากแล้วถ้าเกิดความคิดเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นนายเราเนี่ยเราจะไม่อิสระเลยเราทำตามมันไงชายคนนี้ก็เหมือนนักปฏิบัติธรรมแหละมาฝึกเจริติหรือแม้กระทั่งสมาธิอนาปานสติไง ดูลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกก็เหมือนกับยักเนี่ยปินเสาให้จิตเนี่ยได้ทํางานแล้วมีเครื่องอยู่จิตก็จะลดกลัวเราน้อยลงดีกว่าปล่อยจิตฟุ้งซ่านจิตก็มีเครื่องอยู่อันนี้ก็มีอุาบายสารนักปฏิบัติธรรมที่ไ ม, ม่ตกไปท่านของความคิดแต่เรื่องความโลภเนี่ยสมัยพุทธกาลก็มีพามคนหนึ่งพามคนนี้อยู่กับผอยู่กับเมียนะ เป็นคนที่ยากจนมากเลยมีใน่จ์ที่สุดเนี่ยพาะมีแค่ผ้าผืนเดียวผ้าห่มผืนเดียวใช้กับเมียวันหนึ่งก็ไปฟังธรรมจากพุทธเจ้าต้องผัดกันไปนะเมียไปกลางวันผัวไปกลางคืนผามฟังธรรมจากพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดซาบซึ้งเกิดปิติจนทําให้เกิดความคิดที่จะถวายผ้าเป็นเครื่องบูชาธรรมจากตอนแรกเนี่ยปสมแม่ยาม ความคิดที่จะให้เนี่ยมีมากแต่แล้วความคิดที่ขี้เหนียวจะหนีขึ้นมาทักท้วงบอกให้ไม่ได้นะพอเจ้าใช้พระหม่มกับภรรยาแล้วมีแค่ชิ้นเดียวให้ไปก็ต้องเป็นชีปเปลือยได้เลยก็เลยไม่ให้ขั้นฟังทํงถาถึงมชิมายามเหลืองคืนเนี่ยความคิดนี้ก็ฝุดขึ้นอีกอย่างว่าจะ พามก็ว่าจะให้แต่ความคิดที่ไม่ให้ที่เดียวคือประทักท้วงอีกก็เลยไม่ได้ให้จนมาถึงอยานสุดท้ายประชิมยามก็ชนะความคิดที่ได้ความคิดที่จะให้ก็ให้สําเร็จแล้วก็ตะโกนล่านว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระเจ้าประ เ, ระเสริฐกุศลที่อยู่บริเวณนั้นก็หลังจากทราบข่าวว่าใครชนะอะไรเนี่ยก็เลยเกิดความสงสัยเดินก็นมาคุย แล้วก็รู้ว่ า, าพามเนี่ยถวายผ้าผืนเดียวให้กับพระรูปเจ้าพระราชาก็เกิดศรัทธาแล้วก็ให้เอาผ้ามามอบให้กับพามอีกคู่หนึ่งาพามก็ถวายอีกถวายพระเจ้าเหมือนเดิมพระราชาก็ให้ให้รางวัลอีกโดยจากตอนแรกให้สองผืนก็กลายเป็นสีผ่ผืนพามก็เก็บไว้เองสองผืนอีกสองผืนให้พระรูปเจ้าไว้ จากเป็นแปดเป็นสิบหกอุตลังราวันมากวายเลยแต่พามก็ให้หมดเพราะว่าสามารถอาชนะความตสนีได้แต่ทายากนะเพราะว่าเรามีสมบัติแค่ชิ้นเดียวแล้วยกให้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ขัดแยง้งแต่ก็ทําสำเร็จพอทําสำเร็จก็เป็นที่สงงใหญ่ฉะนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตให้เป็นอิสระจากกินกามเกียดหรือถ้ามีก็อย่าให้มันเป็นนายเรา ชีวิตเราจะได้มีสละมากขึ้นให้เราเป็นตัวของตัวเองความคิดทําให้คนติดคุกติดาราังก็ได้เสียผู้เสียคนก็ได้ทําให้คนทําประโยชน์มหาศาลก็ได้อยู่เลยใช้ถ้าเราใช้ความคิดก็มีประโยชน์แต่ถ้าความคิดใช้เราเราก็แย่นะพูดมาก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลา